ธรรมบทแปลเรื่องที่97เรื่องนางราชาเทวติดาภาคที่หเรื่องที่สของวรกที่9ป้าป้าประวักวันานาข้อความเบื้องตน้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบนางราชาเทวติดาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า ปุญเจปุริโซกเยราเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นแล้วในเมืองราชเครือตอนหญิงถวายเข้าต่อแก่พระกัศพบความพิสดารว่าท่านพระมหากัศพบอยู่ในปิดพลิคูหาเข้าชานแล้วออกในวันที่7ตรวจดูที่เที่ยวไปเพื่อพิษาด้วยทิพยจักสู่ เห็นหญิงรักษานางข้าวสาลีคนหนึ่งเด็ดโรงข้าวสาลีทีทข้าวตอกอยู่พิจารณาว่าหญิงคนนี้มีศรัทธาหรือไม่หนอรู้ว่ามีศรัทธาใกล้ควรว่าเธอจกอาจเพื่อทําการสงเคราะห์แก่เราหรือไม่หนอรู้ว่ากุลธิดานี้เป็นหญิงแกล้าจากทําการสงเคราะห์เรา ก็แลครั้นทำแล้วจักได้สมบัติเป็นอันมากจึงกรองจีวอนถือบาทได้ยืนอยู่ที่ใกล้นาข้าวสาลีกุลธิดาพอเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใสมีสรีระอันปิติห้าอย่างถูกต้องแล้วกล่าวว่านิมนต์หยุดก่อนเจ้าค่าถือเข้าตอกไปโดยเร็วเกลี่ยลงในบาทของพระเถระแล้ว ว่ายด้วยเป็นจางข้าประดิษฐ์ได้ทำความปรารถนาว่าท่านเจ้าข้าขอที่ฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วตอนจิตเลื่อมใสในทานไปเกิดในสวรรค์พระเถระได้ทำการอนุโมทนาว่าความปรารถนาอย่างนั้นจงสาเร็จฝ่ายนางไหวพระเถระแล้วพลางนึกถึงทานที่ตนถวายแล้ว กลับไปก็ในหนทางที่นางเดินไปบนคนามีงูพิษร้ายนอนอยู่ในรูแห่งหนึ่งงูไม่อาจขบกัดแข่งพระเถระอันปกปิดด้วยผ้ากาสายะได้นางพลางระลึกถึงทานกลับไปถึงที่นั้นงูเลื้อยออกจากรูกัดนางให้ล้มลงณที่นั้นเองนางมีจิตเลื่อมใสทำกาละแล้ว ไปเกิดในวิมานทองประมาณ30โยต์ในพบดาวดึงมีอัตภาพประมาณสามขาวุฒิประดับเครื่องอลังการทุกอย่างเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นตอนวิธีทำที่พิยศสมบัติให้ถาวร น, นางนุ่งผ้าทิพย์ประมาณ12ศสอกผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งแวดล้อมด้วยนางอับสอนตั้งพันเพื่อประกาศบุรพกรรม จึงยืนอยู่ที่ประตูวิมานอันประดับด้วยขันทองคําเต็มด้วยข้าวตอกทองคําห้อยระยะอยู่ตรวจดูสมบัติของตนใครควรด้วยทิพยะจักษุว่าเราทำกรรมสิ่งไรหนอจึงได้สมบัตินี้ได้รู้ว่าสมบัตินี้เราได้แล้วเพราะผลแห่งข้าวตอกที่เราถวายพระผู้เป็นเจ้ามหากัสปะเทระ นางคิดว่าเราได้สมบัติเห็นปานนี้เพราะกรรมนิดหน่อยอย่างนี้บัดนี้เราไม่ควรประมาทเราจะทำวัดปฏิบัติแก่พระผู้เป็นเจ้าทำสมบัตินี้ให้ถาวรจึงถือไม่กวาดและกระเช้าสำหรับเทมูลฝอยอันสำเร็จด้วยทองไปกว่าบริเวณของพระเถระแล้วตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้แต่ช้าตรู่ พระเถระเห็นเช่นนั้นสำคัญว่าจะเป็นวัดที่ภิกษุหนุ่มหรือสามเณรบางรูปธรรมแม้ในวันที่สองนางก็ได้ทำอย่างนั้นฝ่ายพระเถระก็สำคัญเช่นนั้นเหมือนกันแต่ในวันที่สามพระเถระได้ยินเสียงไม้กวาดของนางและเห็นแสงสว่างแห่งสรีระฉายเข้าไปทางช่องลูกดานจึงเปิดประตูออกมาถามว่า ใครนั่นกวาดอยู่นางราชาเทวทิดาท่านเจ้าข่าดิฉันเองเป็นผู้อุปถยิกาของท่านชื่อลาชาเทวทิดาพระเถระอันอุปถยิกาของเราผู้มีชื่ออย่างนี้ดูเหมือนจะไม่มีนางเทวทิดาท่านเจ้าข่าดิฉันผู้รักษานางข้าวสาลี ถวายข้าวตอกแล้วมีจิตเลื่อมใสกําลังกลับไปถูกงูกัดทำกาละแล้วบังเกิดในเทวโลกชั้นดาวดึงท่านเจ้าข้าที่ฉันคิดว่าสมบัตินี้เราได้เพราะอาศัยพระผู้เป็นเจ้าแม้ในบัดนี้เราจะทําวัดปฏิบัติแก่ท่านทาสมบัติให้มั่นคงจึงได้มาพระเถระ ทั้งวันนี้ทั้งวันซื้อนี้เจ้าคนเดียวกว่าที่นี่เจ้าคนเดียวเข้าไปตั้งน้ําฉันน้ําใช้ไว้หรือนางเทพธิดาอย่างนั้นเจ้าข่าพระเถระจงหลีกไปเสียนางเทวธิดาวัดที่เจ้าทําแล้วจงเป็นอันทํำแล้วตั้งแต่นี้ไปเจ้าอย่ามาที่นี่อีกนางเทพธิดา อยาให้ดิฉันชิบหายเสียเลยเจ้าค่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้ดิฉันทำวัดแก่พระผู้เป็นเจ้าทำสมบัติของดิฉันให้มั่นคงเถิดพระเถระจงหลีกไปนางเทวทิดาเจ้าอยากให้เราถูกพระธรรมกึกทั้งหลายนั่งจับพัดอันวิจิตเพิ่งกล่าวในอนาคตว่าได้ยินว่านางเทวทิดาผู้หนึ่งมาทำวัดปฏิบัต เข้าไปตั้งน้ำฉันน้ำใช้เพื่อพรมหากระสปาเถระแต่นี้ไปเจ้าอย่ามานที่นี้จงกลับไปเสียนางจึงอ้อนวอนซ้ำๆอีกว่าขอท่านอย่าทำให้ดิฉันชิบหายเลยเจ้าข้าพระเถระคิดว่านางเทวธิดานี้ไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเราจึงปรบมือด้วยกล่าวว่า เจ้าไม่รู้จักประมาณของเจ้านางไม่อาจดํารงอยู่ในที่นั้นได้หาะขึ้นในอากาศประคองอัญชลีได้ยืนร้องไห้คล่ำครวญอยู่ในอากาศว่าท่านเจ้าข้าอย่าให้สมบัติที่ดิฉันได้แล้วชิบหายเสียเลยจงให้เพื่อทําให้มั่นคงเถิดตอนบุญให้เกิดสุขในพบทั้งสองพระสัสดา ประทับนั่งในพระกันท ก, กุดีนั่นเองทรงสดับเสียงนางเทวทิดานั้นร้องไห้ทรงแผ่รัศมีดุดประทับนั่งตรัสอยู่ในที่เฉพาะหน้านางเทวทิดาตรัสว่าเทวทิดาการทาความสังวร น, นั่นเถี่ยวเป็นภาระของกษปะผู้บุตรของเราแต่การกำหนดว่านี้เป็นประโยชน์ของเราแล้วมุ่งกระทาแต่บุญ ย่อมเป็นภาระของผู้มีความต้องการด้วยบุญด้วยว่าการทำบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขอย่างเดียวทั้งในภพนี้ทั้งในภพหน้าดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสสนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบุญญเจปุริโซกยิรากยิราเทนังปุับปุนังตัมหิชั่นดังกยิราถา สุโคปุญญสะอุจโยติทาบุรุษพึงทำบุญใสพึงทำบุญนั้นบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าความสั่งสมบุญทำให้เกิดสุขแก้อัดเนื้อความแห่งพระกถ า, านั้นว่าท่าบรุษพึงทำบุญใสไม่พึงงดเว้นเสียด้วยเข้าใจว่า เราทำบุญครั้งเดียวแล้วพอละด้วยบุญเพียงเท่านี้เพิ่งทำบ่อยๆแม้ในขณะทำบุญนั้นเพิ่งทำความพอใจคือความชอบใจได้แก่ความอุตสาหะในบุญนั่นแหละถามว่าเพราะเหตุไรวิสัชนาว่าเพราะว่าความสั่งสมบุญให้เกิดสุขอธิบายว่า เพราะความสั่งสมคือความพอกพูนบุญชื่อว่าให้เกิดสุขเพราะเป็นเหตุนำความสุขมาให้ในโลกนี้และโลกหน้าในการจบเทศนานางเทวทิดานั้นยืนอยู่ในที่สุดทาง45โยชนั่นแลได้บรรลุโสดาปฏิผลแล้วดังนี้แลเรื่องนางราชาเทวทิดา